วันนี้จะพูดเรื่องของคนโง่กับคนฉลาดตามคำบอกเล่าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนที่คิดว่าตนเองเป็นคนฉลาดแล้วนั่นแหละเป็นคนโง่ที่แท้จริง ส่วนคนที่คิดว่าตนยังตนเองยั ง, งโง่อยู่นั่นแหละเป็นคนที่ม่มีโอกาสที่จะฉลาดได้เพราะคนที่คิดว่าตนเองฉลาดแล้วก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาต่อไปส่วนคนที่ยังคิดว่าตนเองยังโง่อยู่ก็จะสนใจที่จะศึกษา เพิ่มเติมไปเรื่อยยแล้วถ้าได้ศึกษาจากพระพุทธศาสนา mm. ก็จะได้รู้ว่าตนนี้ยังเป็นคนโง่อยู่เพราะว่าทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ถูกความโง่หลอกพาให้มาเกิดกันทั้งนั้นคนที่ฉลาดจริง เขาจะไม่กลับมาเกิดกันในโลกนี้เพราะเขาจะรู้ว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์แต่คนโง่นี้มองไม่ไม่รู้ว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์กลับไปคิดว่าโลกนี้เป็นโลกของความสุขก็จะมาเกิดเพื่อมาหาความสุขจากโลกนี้ มาหาความสุขจากลาบยศสารเสนจากรูปเสียงกล็ดลอดต่างๆ ต, ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เนี่ยวิชาปัญยาสังขาราความโง่ก็จะหลอกให้จิตคิดคิดหาอะไรก็คิดหาลาบยศสารเสญคิดหารูปเสียงกล็ดลอดต่างๆนั่นเอง ทำไมจึงถือว่านี่เป็นความโง่เพราะความจริงสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษมีอยู่ในตัวของเราแล้วนั่นเองมีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ใจที่โง่จะไม่รู้จะไปหาสิ่งที่อยู่นอกใจเพราะหลง คิดว่าสิ่งที่อยู่นอกใจนั้น <c oughs> เป็นสิ่งที่วิเศษก็คือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ที่ส่งให้ใจมาเก่อติดกับร่างกายมามีร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงเกล็ดลดต่างๆแล้วก็ต้องมาเจอความทุกข์กับการแสวงหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงเกล็ดลดต่างๆทุกเวลาที่แสวงหาแล้วก็ทุกข์กับการดูแลรักษา สิ่งที่หามาได้แล้วก็มาทุก์กับการสูญเสียเพราะว่าไม่ว่าจะหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามในที่สุดก็ต้องมีการพัดภาคจากกันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นที่เที่ยงแท้แน่นอนที่ถาวรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราว มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมมีเกิดแล้วก็มีดับมีมาแล้วก็มีไปดังนั้นถ้ายังมาหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่ถ้ายังกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะกลับมาเกิดใหญ่โตขนาดไหนก็ตามร่ำรวยขนาดไหนก็ตาม ฉลาดมากน้อยเพียงไรก็ตามเรียนเรียนจบปริญญาเอกก็ตามนะก็ยังถือว่าเป็นคนโง่ยอยู่เพราะยังกลับมาหาความทุกข์อยู่นั่นเองเพราะไม่รู้ว่ามีของดีอยู่ในตัวของตนเองมีอยู่ในใจของตนเอง ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขังหรือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงไม่ได้อยู่ที่ราบรศสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงเกียรนอดโพธภิภพไม่ได้อยู่ที่นั่นที่นี่ไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนแต่พวกเรายั ง, งโง่กันอยู่ยังไม่รู้ความจริงอันนี้เราจรึงต้องเข้าหาผู้รู้ผู้ฉลาดผู้รู้ความจริงอันนี้ผู้ที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้าตถาคยาสงสาวกทั้งหลาย ดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราอยังเราฉลาดแล้วเรารู้มา ก, กพอแล้วก็ขอให้รู้ไว้เถิดว่าเรายังโง่อยอเราเป็นคนโง่แท้เพราะเราจะไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติ ม, มความรู้ที่เรารู้ ยังถือว่าเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเช่นเราอาจจะเรียนจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรก็ตามแต่วิชาความรู้ที่เราเรียนรู้ในทางโลกเป็นวิชาความรู้ที่มีความง่อเป็นผู้คอยปรับดันให้แสวงหาก็ ความรู้ที่ความโลภกดดันให้เราแสวงหากันนั้นเป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่รอดจากอะไรก็ไม่รอดพ้นจากความทุกข์นี่ต่อให้เรียนจบปริญญาเอกกี่ใบก็ตามกี่แข น, นก็ตามที่มีสอนกันอยู่ในโลกนี้ เรียนไปก็ไม่สามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้เรียนจบมานี้มาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของตอนเองได้ mm hmm. ต้องไปเรียนจากพระพุทธเจ้าหรือเรียนจากพระอริยสงฆ์สาวกเท่านั้นที่จะรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ mm hmm. นี่แหละคือคนฉลาดจริงต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาเท่านั้นต้องรู้ว่าความรู้จากแหล่งอื่นนี้ไม่ได้เป็นความรู้ที่สมบูรณ์ไม่ได้เป็นความรู้ที่จะกำจัดปัญหาต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปได้ไม่เป็นความรู้ที่จะให้ความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้มีพระพุทธความมีแต่ความรู้จกักมีความรู้ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสอนให้ผู้ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้พบกับความสุขอันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้เป็นนักปราชญ์ที่แท้จริง ให้เป็นคนฉลาดที่แท้จริงเพราะผู้ที่เรียนจบหลักสูตรของพระพุทธศาสนาแล้วจะไม่กลับมาทุกข์อีกต่อไปจะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้อีกต่อไปถ้าตราบใดยังมีการกลับมาเกิดมาอยู่ในโลกนี้มาหาความสุขจากโลกนี้อยู่ก็ถือว่ายังไม่ฉลาดยังง่อยู่ เพราะคนฉลาดจะเห็นโลกนี้เป็นเหมือนกองไฟกองไฟที่จะเผาจิตใจให้ร้อนอยู่ให้ทุกข์ให้ร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมาเกิดในระดับไหนก็ตามจะร่ำรวยขนาดไหนก็ตามจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตา ม, มก็จะไม่หนีพ้นจากความทุกข์ ของโลกนี้ที่จะคอยแผดเผาจิตใจให้ร้อนระอุอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณากันถามตัวเราเองว่าเราคิดว่าเราฉลาดแล้วหรื อ, อยังหรือเราหรือคิดว่าเรายั ง, งโง่อยูอ่อันนี้จะเป็นตัวที่จะ ให้เราได้เลือกทางเดินต่อไปถ้าเราคิดว่าเราฉลาดแล้วเราเรียนจบปริญญาเอกแล้วเราไม่ต้องศึกษาไม่ต้องหาความรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วเราก็จะได้แต่ความรู้ที่เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแต่ถ้าเราคิดว่า เรายังมีความรู้มากไม่มากพอเพราะเรายังไม่มีความสุขที่แท้จริงเรายังมีความทุกข์อยู่เราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปหน้าที่ไหนที่จะสอนให้เราได้พบกับความสุขที่สมบูรณ์สมบูรณ์ความสุขที่ถาวร ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและคำสอนที่สอนให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปคำสอนที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนั่นล่ะเป็นแหล่งของความสอนของความรู้ที่เราควรที่จะเข้าหากัน เพราะถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่ในใจถ้าเรายังไม่พบกับความสุขที่ถาวรถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็ต้องไปหาคำสอนจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนให้เราได้ พบกับความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ที่จะทำให้เราเป็นนักปราชญ์เป็นผู้ฉลาดที่แท้จริงเพราะผู้ที่ฉลาดที่แท้จริงจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปและขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่มีความทุกข์กับอะไรอีกต่อไป จะมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลา<ม>ความสุขที่เรียกว่าปลมังสุขขัง<ม>ที่เรียกว่าแปลว่าบรมมาสุขนี่<ม><ม>เราจะได้ความรู้และผลจากการมีความรู้เหล่านี้จากพระพุทธศาสนาเพียงแหล่งเดียวเท่านั้นถ้าไปศึกษาจากแหล่งอื่น จะไม่มีคําสอนใดที่สอนให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะสอนให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่จะสอนให้เราเข้าหาความสุขในตัวของเราเองความสุขที่แท้จริงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่ได้อยู่นอกตัวเราอยู่ในตัวเราอยู่ในใจของพวกเราทุกคน พวกเราทุกคนมีของดีของวิเศษอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่ความโง่ของเราเนี่ยมันกลับทำให้เราไม่รู้อวิชามันทำให้เราไม่รู้อวิชาแปลว่าความโง่ธรรมะนี่แปลว่าความฉลาดเราต้องเข้าหาธรรมะหาคำสั่งคำสอนของผู้รู้ของผู้ตื่น จากความโง่เตินจากความหลงงมงายเอาความรู้ของผู้รู้ผู้เตือนนี้คือธรรมะมาดับความโง่ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปพอเราดับความโง่ได้ดับอวิชาได้เราก็จะดับการปุงแต่งเพื่อที่จะไปหา ลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเมื่อเราหยุดการหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะหยุดตันหาความอยากต่างๆที่จะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนั่นเองนี่แหละอยู่ที่ตรงนี้ ปัญหาของพวกเราอยู่ที่อวิชชาคือความโง่และวิธีแก้ปัญหาก็คือเราต้องใช้ธรรมะคือความฉลาดของพระพุทธเจ้ามาแก้ความโ ง, ง่ของพวกเราให้เราหยุดแสวงหาความสุขนอกใจแล้วให้กลับเข้ามาแสวงหาความสุขที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรา นั่นก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนัตติสันติพลังสุขขังสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสุขสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีถ้าอยากจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งพวงต้องกลับเข้าหาความสุขภายในใจของเราเพียงอย่างเดียว เพราะความสุขนอกใจเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่ห้อมล้อมด้วยความทุกข์กระดับทุกขั้นตอนถูกความทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นที่จะหาเพราะอยากจะได้อะไรใจก็ร้อนขึ้นมาทันที อยากจะได้อะไรใจก็จะกะวนกังวายกั๊สับกระสายแล้วระหว่างที่ไปหาก็ต้องไปร้อนกับการหาต้องไปกับความทุกข์ยากลำบากของการหาสิ่งต่างๆแล้วพอได้มาก็ต้องมาทุกข์กับการคอยดูแลรักษากลัวจะหายกลัวจะจากเราไป แล้วก็มาทุกข์ ก, กับความหึงหวงหึงหวงในของที่เรามีอยู่ไม่อยากจะให้ใครมาเอาไปมาย่างเราแม่ย่งจากเราไปแล้วก็มาทุกข์เมื่อต้องพัดพากจากกันในที่สุดไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายนี่แหละคือ ถ้าเรามาหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็จะได้ความสุขแบบที่มีความทุกข์ติดมาด้วยถ้าเป็นเนื้อปลาก็เป็นเนื้อปลาที่มีก้างติดมาด้วยถ้าเป็นผักก็เป็นผักที่มีสารพิษติดมาด้วยกินผักที่มีสารพิษเดี๋ยวก็มีโรคมะเร็งตามมา จันใดถ้าเรามาหาความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้มาหาราบยศสละเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราก็จะมีความทุกข์ติดมาด้วยกินออถ้ากินเนื้อปลาก็เดี๋ยวก็จะถูกก้างตามปากตามค อ, อ, อถ้ากินสารที่มีถ้ากินผักที่มีสารพิษ ตกค้างอยู่เดี๋ยวก็เกิดโรคมาแรงตามมาแอลไม่ควรที่จะบริโภคอาหารเหล่านี้เราควรที่จะบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษคืออย่าไปหาผักที่ไม่มีสารพิษไปกินปลาที่เขาเอาก้างออกให้หมดแล้วกินแล้วสบาย กินยังไงก็ไม่มีทางที่จะถูกก้างต่มคอได้ตําปากได้เพราะเขาแกะก้างออกจากเนื้อปลาไปหมดแล้วเช่นลูกชิ้นปลานี่กินเข้าไปเลยกินยังไงก็ไม่มีก้างต่ำปากตามคอถ้าได้กินปลาทั้งตัวนี่เดี๋ยวเจอก้างแล้วถ้าไม่ระวังก็เดี๋ยวก็จะเจ็บเจ็บปากเจ็บคอได้ นี่แหละคนฉลาดจะรู้จักเลือกบริโภคความสุขชนิดที่ไม่มีความทุกข์คนโง่นี่จะบริโภคความสุขที่มีความทุกข์คนโง่จึงหาสติคนฉลาดถึงหาสตงางค์ไม่ใช่เลยคนโง่หาหาสตางค์คนฉลาดในี่หาสติ คือคนง้อจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆซึ่งต้องใช้สตางค์ถึงจะสามารถหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้แต่คนฉลาดนี้ไม่ต้องการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะไม่อยากจะต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆที่หามาได้ ก็จะไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสตินั่นเองคนฉลาดจึงหาสติคนโง่จึงหาสตังแล้วใครเป็นคนร้องห่มร้องไห้ในภายหลังใครที่จะต้องร้องห่มร้องไห้ใครที่ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ คนที่หาสตางเนี่ยต้องร้องห่มร้องไห้เวลาที่สูญเสียสตางไปสูญเสียสิ่งที่ซื้อด้วยสตางมาไปแต่คนฉลาดนี่จะไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เพราะความสุขที่หาได้จากสตินี้ไม่มีวันหมดไม่มีวันจากเราไปอยู่กับเราไปตลอดเป็นสมบัติของเราไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดอากาลิโกนี่แหละคนฉลาดหนึ่งกับคนง้อเป็นอย่างนี้เราถามตัวเราเองถ้าอยากจะรู้ว่าเราฉลาดหรือไม่ฉลาดให้ดูตามที่ได้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ถ้าคิดว่าฉลาดแต่ยังหาลาบยศสารเสรนสุขอยู่ แสดงว่ายังไม่ฉลาดจริงะยั ง, งโง่อยู่ะคนที่ฉลาดจริงนี้จะไม่หาความสุขจากภาพจดสระเสริญและไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนนจะไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถที่เกิดจาก การหาสติและหาปัญญาสติเป็นตัวแรกที่จะพาให้เราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแต่สตินี้หาความสุขแบบชั่วคราวไม่สามารถหาความสุขแบบถาวนได้ถ้าต้องการได้ความสุขแบบถาบนหลังจากที่ได้ความสงบจากสติแล้ว ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้แปลงความสุขที่เป็นความสงบที่เป็นความสงบชั่วคราวให้มาเป็นความสงบที่ถาวรต่อไปสติไม่มีความสามารถที่จะทำให้ความสงบเป็นความสงบที่ถาวรได้ต้องอาศัยปัญญาปัญญาเป็นผู้ที่จะทาให้ความสงบที่ได้ จากสตินี้กลายเป็นความสงบที่ถาวนเพราะปัญญาจะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ความสงบที่ได้จากสติหายไปตัวที่ทำให้ความสงบที่ได้จากสติหายไปก็คือตัวกิเลสตัณหานี่มโมหะาอาวิชชาที่ต้องใช้ปัญญาถึงจะมาแก้ ตัวเพื่อกมจัดตัวที่มาทำลายความสงบที่ได้จากสติให้เป็นความสงบที่ถาวนที่เป็นปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังความสุขที่ได้จากสติเรียกว่าสมาธาิความสุขที่ได้จากปัญญานี่ถ้าได้เต็มขั้นเต็มร้อยก็เป็นปรมังสุขขัง แต่ความสุขขั้นปัญญาก็มีแบ่งไว้เป็นสี่ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็ความสงบระดับของพระโสดาบันขั้นที่สองก็คือความสงบระดับของพระสกิดดาคามีขั้นที่สามก็คือความสงบระดับของพระอน า, ภาคามีขั้นที่สี่คือความสงบของระดับพระอรหันต พอได้ขั้นที่สี่แล้วก็จะได้เป็นปรมังสุขขังไปเป็นนิบานังปรมังสุขขังไปขั้นของปัญญานี้เป็นเป็นขั้นของพระอริยบุคคลขั้นของสมาธินี่เป็นขั้นของปุถุชนผู้ที่เจริญสติแล้วเข้าฌานได้ในระดับต่างๆนี่ ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลยังไม่เข้าถึงโลกุตตระธรรมเข้าถึงโลกียธรรมขั้นสูงสุดคือขั้นรูปปภูมิกับอรูปปภูมิหรือรูปฌานหรืออรูปฌานแต่เป็นโลกียธรรมคือยังไม่ถาวรยังมีการเสื่อมได้เพราะยังอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่ อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตามไม่ว่าจะเป็นรู ป, ประฌานในขั้นไหนก็ตามอารูปประฌานในขั้นไหนก็ตามได้แล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีวันเสื่อมไปเพราะผู้ที่สร้างหรือทำให้รูปประฌานหรืออรู ป, ประฌานเกิดไปไม่สามารถทำให้รูปประฌานหรืออรูปประฌานไม่เสื่อมนั่นเอง ก็คือสติสตินี้เป็นผู้ทําให้จิตเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้แต่สติไม่สามารถป้องกันความเสื่อมของฌานขั้นต่างๆได้ผู้ที่จะมาป้องกันความสงบของฌานขั้นต่างๆไม่ให้เสื่อมไม่ให้หมดไปก็คือปัญญา ปัญญานี้จะเป็นผู้ที่จะคอยสอดส่องดูแลสิ่งที่ยังมีอยู่ภายในใจที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจอยู่สิ่งที่อยู่ในใจที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจนีพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ว่าเป็นสังโยชน์เรียกว่าสังโยชน์ สังโยชน์นี้มีอยู่สิบข้อด้วยกันแบ่งไว้เป็นสองระดับระดับล่างกับระดับบนระดับล่างนี้คือระดับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายระดับบนนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องล่างกับเบื้องบนผู้ที่จะ เข้าสู่โลกุตระธรรมได้เข้าสู่การเป็นพระอริยบุคคลได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์จำเป็นจะต้องเจริญปัญญาหลังจากที่ได้สมาธิสมบูรณ์แล้วถ้ายังไม่ได้สมาธิสมบูรณ์ จะไม่สามารถใช้ปัญญาไม่สามารถที่จะเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้มากําจัดสังโยชน์ที่มีอยู่ในใจได้ต้องผ่านขั้นโลกิยะไปก่อนต้องผ่านขั้นรูปประจานารูปประจานไปหรืออรูปประจานไปก่อนถึงจะมีความสามารถที่จะเอาปัญญาของพระพุทธเจ้า คือการคือตายรักและอริยสัจ ส, สี่มาใช้กับตัวที่ผูกรัดใจให้ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดตัวที่คอยสร้างความทุกตัวที่คอยทำลายความสงบของใจคือตัวสังโยชน์ทั้งสิบนี้จะถูกกำจัดได้ด้วย ปัญญาที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดสร่คือตายรักและอริยสัจสีพระโสดาบันก่อนจะเป็นโสดาบันได้จะต้องละสังโยชน์สามข้อให้ได้ก่อนคือสักกายทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นว่าร่างกายหรือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นตัวที่คอยให้ความสุขกับเราความจริงพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามันเป็นความเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีตัวตนที่ไม่จีรังถาวรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย เ, อยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นี้ก็คือทุกข์ในอริยสัจ ส, สทุกข์เพราะจิตไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงจิตชอบความาความความเที่ยงแท้แน่นอนจิตต้องการให้ร่างกายเที่ยงแท้แน่นอนให้แข็งแรงให้มีสุขภาพดีให้มีกำลังวังชา ไม่ต้องการให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายแต่ความจริงของร่างกายมันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของใจใจก็เลยทุกเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายไปแต่พอได้ใช้ปัญญาพิจ า, ารณาไตรลักษณ์ในร่างกาย ก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะไม่มีใครที่จะมาควบคุมบังคับมาเปลี่ยนสภาพของความเป็นจริงของร่างกายได้เพราะว่าร่างกายไม่ได้เป็นของใครร่างกายเป็นของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศนี่เองดินฟ้าอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการได้ฉันใดร่างกายก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ประกอบด้วยธรรมชาติทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเนีที่ไม่มีใครที่จะไป ปเปลยนแปลงความเป็นจริงไปเปลี่ยนธรรมชาติของร่างกายได้ไม่มีใครไปเปลี่ยนความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ถ้าใครอยากไปเปลี่ยนก็จะต้องทุกเนี่ยทุกเพราะความอยากอยากไปเปลี่ยนธรรมชาติให้เป็นไปตามความอยากของใจพอใจได้เจริญปัญญาได้เห็นตายรักษณ์ของร่างกายเห็นตายรักษของเวทนา คือความเจ็บเนี่ยก็จะยอมต้องยอมรับความจริงว่าเปลี่ยนไม่ไดเ้เมื่อเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะไปอยากไปเปลี่ยนมันทำไมเพราะอยากไปเปลี่ยนมันก็จะทำให้เหนื่อยไปเปล่าๆทำให้ทุกข์ไปเปล่าๆสู้อยู่เฉยๆดีกว่าปล่อยให้มันเปลี่ยนไปปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ปล่อยให้มันแก่ไปปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยให้มันตายไปพอปล่อยได้ความอยากที่สร้างความทุกข์ใจก็หายไปความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากก็หายไปใจก็กลับมาสงบเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธินี่คือขั้นแรกของการณสังโยชน์ตัวที่มาสร้าง ความไม่สงบให้กับใจหนหลังจากที่ได้สมาธิมาแล้วพอออกจากสมาธิมาพอเห็นร่างกายถ้าไม่มีปัญญาไม่เห็นตายักไม่เห็นอริยสัจสี่ใจก็จะไม่สบายใจขึ้นมาทุกครั้งที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่พอมาเจริญปัญญาสอนใจให้เห็นธรรมชาติของร่างกายว่า มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครไปเปลี่ยนมันได้ไปห้ามมันได้พอยอมรับความจริงยอมรับความธรรมชาติของร่างกายปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายไปใจก็หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่มีความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากายาก็าหายไปนีโรธก็เกิดขึ้นมา การดับทุกข์ก็เกิดขึ้นมาในระดับขั้นของพระโสดาบันเพราะดับด้วยอะไรดับด้วยมรรคคือปัญญาปัญญาก็คือการเห็นใ่รักเห็นอริยาาสัจสี่นี่นี่ต้องเห็นในใจไม่ได้เห็นจากความคิดอย่างตอนนี้ตอนนี้ยังเห็นจากความคิดอยู่พอไปเจอความจริงมันจะเห็นอย่างที่คิดหรือไม่ พอไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งนะดูซิว่าจะเห็นอย่างที่คิดตอนนี้เลยไหมว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อถึงเวลามันจะแกะ่มันจะเจ็บมันจะตายก็ให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปถ้าเห็นตามความเป็นจริงก็จะไม่ทุกเวลาที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งก็จะเฉยเฉยเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้ไปหาหมอ นี่คือการที่จะทำให้ใจสงบหลังจากที่ออกจากสมาธิมาพอใจมาทุกมาวุ่นวายกับร่างกายมาทุกมอวุ่นวายกับเวทนาคือความเจ็บปวดของร่างกายก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นไตลักษ์ให้เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากให้มันไม่เป็นไตลักษ์นั่นเอง อยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตา พ, พอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่ต้องการความทุกข์ใจก็ต้องหยุดความอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาปล่อยให้มันเป็นอนิจังทุกขังอนตตาไปใจก็จะหยุดความอยากหยุดความทุกข์ภายในใจได้ ใหญ่ก็จะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี่คือพอละสังยศตัวนี้ได้ปั๊บก็จะมีดวงตาเห็นธรรม เ, เห็นว่าไตรลักษและอริยสัจสี่นี้เป็นความจริงผู้ที่สอนต้องมีจริงผู้ที่สอนคือพระพุทธเจ้านี้ต้องมีจริง ก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องนิยายแต่งกันขึ้นมาธรรมะคำสอนที่เอามาดับความทุกข์ใจนี้เป็นความจริงหรือไม่ก็ไม่สงสัยผู้ที่เห็นธรรมมีผู้ที่เห็นธรรมจะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเห็นพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่เห็นธรรมเนียและผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ที่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ผู้ที่จเจริญสติสมาธิและปัญญาพอมีก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นไตรลักษณ์ก็จะดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจในขณะนั้นได้ก็จะหายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เป็นของจริงหรือไม่เป็นที่พึ่งทางจิตใจได้หรือไม่ ทนี้จะเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปว่าถ้าต้องการจะดับความทุกข์นี้ต้องดับด้วยพระรัตนตรัยเท่านั้นต้องดับด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนวิธีดับความทุกข์ของใจแล้วความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หายไปความรูปคําในศีลก็หายไป จะเห็นว่าการรักษาศีลนี้เป็นวิธีป้องกันจิตใจไม่ให้ไปตกต่าไม่ให้ไปเกิดในอบายการกระทำบาปนี้เป็นเหตุที่พาให้จิตใจตกต่าไปเกิดในอบายผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะยอมตายดีดกว่าจะยอมตายอยู่แล้วเพราะ มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายถ้าร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่ไปทําบาปเพื่อมารักษาร่างกายให้อยู่ต่อไปเหมือนกับคนที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมพอร่างกายอดอยากขาดแคลนก็ถ้าหาเงินหาทองหาวิธีเลี้ยงดูร่างกายโดยวิธีไม่ทําบาปไม่ได้ก็จะต้องไปหาโดยวิธีทําบาปเพราะยังไงก็ต้องรักษาร่างกายยิ่งกว่าอย่างอื่นนะ ถ้าต้องฆ่าก็ต้องฆ่าเพื่อรักษาชีวิตของตนแต่สำหรับพระโสดาบันผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่ละสักกายะทิฐิได้แล้วนี้จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะทำไปแล้วรู้ว่าขาดทุนไม่ได้กำไรเพราะยังไงร่างกายก็ต้องตายอยู่ดีทำรักษาร่างกายเพื่อให้อยู่แต่ต้องไปรับโทษนบายมันไม่คุ้มค่ากัน สู้รักษาใจไม่ให้ไปตตกไปในอบายดีกว่าด้วยการยอมให้ร่างกายตายไปนี่คือสังยอสามข้อเบื้องแรกก็จะถูกกำจัดไปเพียงแต่การพิจารณาขันห้าให้เห็นว่าเป็นตายรักให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากให้ขันห้า เป็นนิจจังสุ ข, ขังอนัตตาท่านเองพอพิจารณาเห็นว่าขันธ์หเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะปล่อยวางขันธ์ห้ไม่ไปยุึดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราอีกต่อไปถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไปเป็นส่วนหนึ่งของดินน้ำลมฝอยเป็นส่วนของธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศ เราไม่ทุกข์กับดินฟ้าอากาศเพราะเรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติเพราะเรารู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาถ้าเราไปยุ่งกับธรรมชาติแล้วเราจะวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีแต่เราไม่ค่อยวุ่นวายใจกับเรื่องธรรมชาติธรรมชาติจะรุนแรงขนาดไหนเราก็ต้องปล่อยมันไปฝนจะตกน้ำจะท่วมพายุจะมาเราก็ไม่ไปห้ามมัน ไม่ไปวิตกกังวลกับมันเราเพียงแต่เตรียมรับมันเท่านั้นเองเหมือนตอนนี้โรคระบาดมันมาเราก็ต้องเตรียมรับมันเท่านั้นเองเมื่อเราทําอะไรไม่ได้ห้ามไม่ให้มันระบาดไม่ได้เราก็ต้องเตรียมใจเตรียมกายรับกับมันเท่านั้นเอง an, ص ص> เราก็ไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยวุ่นวายแต่ถ้าเราอยากให้มันไม่กระจายอยากให้มันไม่มาระบาด อยากให้มันไม่มาเกิดกับเราเราจะวุ่นวายใจกันเราจะทุกข์จะกังวลกันอย่าฉะนั้นอย่าไปทุกข์อย่าไปกังวลดูแลร่างกายให้ดีตามสุขภะตามตามคำแนะนำของหมอก็พอแต่ถ้าเมื่อมันเป็นก็ต้องเป็นเมื่อมันจะต้องตายก็ต้องตายแต่เราตายไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ เพราะยังไงร่างกายมันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีจะมีโรคระบาดหรือไม่มีโรคระบาดจะมีโรคมะเร็งหรือไม่มีโรคมะเร็งถึงเวลามันก็หยุดหายใจของมันไม่มีใครไปห้ามมันได้ยันจึงสำหรับคนที่มีปัญญามีตายเห็นตายรักในร่างกายจะไม่วุ่นวายใจไปกับความเป็นความตายของร่างกาย จะเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปนี่คือการทาการเปลี่ยนสมาธิคือความสุขที่เกิดจากความสงบที่ไม่ถาวรให้เป็นถาวรในระดับขั้นที่หนึ่งคือขั้นของพระโสดาบันพอได้เป็นโสดาบันแล้วความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายจะไม่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจต่อไป ใจจะอยู่กับความแก่อยู่กับความสงบอยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้อย่างไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่ใจยังไปหวั่นไหวอยู่กับเรื่องอื่นที่ที่เป็นสังโวชสังโยชน์ที่ต้องยังไม่ได้กําจัดขั้นต่ำกย็ยังมีอีกสองสงโยชน์กาจัดไปสามยังเหลืออีกสอง สังโยชน์ที่เหลือที่ยังไม่ได้กำจัดก็คื อ, อการมาราคะความอยากเสพกามคือความอยากร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแล้วปฏิฆาความหงุดหงิดใจการมาราคะกับปฏิฆะนี่มันมาพร้อมกันเพราะเกิดการมาราคะมันก็จะเกิดปฏิฆาขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจ พอเห็นแฟนเห็นคนที่เรารักเราชอบเราก็อยากจะร่วมหลับนอนกับเขาอยากจะเสพสังวาสกับเขาอยากจะเสพกามเพราะเรามีการมาราคาอยู่พระโสดาบันนี้ยังมีการมาราคายังอยากยังอยากมีแฟนถ้ามีแฟนแล้วก็ยังอยากจะอยู่กับแฟนต่อไปยังไม่อยากออกบวช ยังรักแฟนยังหวงแฟนยังห่วงแฟนอยู่ถ้าต้องการที่จะละความอยากในการมีแฟนหรือรักแฟ น, ห, แฟนหรือหวงแฟนหรือห่วงแฟนเพราะมันเป็นความไม่สงบของใจเวลาหวงเวลาห่วงเวลาอยากได้แฟนนี่มันทำให้ใจไม่สงบทำให้เกิดความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมา ก็ต้องหาวิธีหยุดความไม่สง บ, บเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ส่งสอนว่าให้หัดดูความไม่สวยงามของร่างกายอย่าไปดูส่วนที่สวยงามร่างกายนี้เป็นเหมือนเหรียญมีสองด้านมีทั้งด้ดานหัวด้านก้อยถ้าเราเห็นด้านเดียวเราก็จะคิดว่ามันมีอย่างนี้ดังเดียว แต่ถ้าเราไปเพล็กอีกทีก็จะเห็นว่ามันมีอีกด้านหนึ่งร่างกายก็มีทั้งด้านที่สวยงามและด้านที่ไม่สวยงามแต่เราชอบไปมองที่ด้านที่สวยงามกันแล่เราชอบเอาด้านที่สวยงามออกมาโชว์กันด้วยใช่ไหย ม, มีใครออกจากบ้านแล้วเอาด้านที่ไม่สวยงามมาโชว์กันไหมไม่มีอ่ะก่อนจะออกจากบ้านนี่ออยต้องแต่งต้องอะไร ต้องเสริมสวยความงามต่างๆทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ต้องหวีผ้าหวีผมต้องอล้างหน้าล้างต า, าทำอะไรใส่เสื้อผ้าสวยๆงามงามใส่น้ำหงน้ำหอมอะไรต่างๆผู้หญิงก็ต้องทำผ้าทำผมผู้หญิงก็ต้องทำหน้าทำตาทำปากเทาคิ้วใส่เสื้อผ้า ความสวยความงามต่างๆก่อนที่จะออกไปนอกบ้านก่อนที่จะไปเจอคนอื่นนี่พวกเราทุกคนชอบเอาของปลอมมาเอาด้านเดียวมาเสนออย่าว่าของปลอมเลยชอบเอาด้านของความสวยงามออกมาเสนอกันไม่ยอมเอาด้านที่ไม่สวยงามมาโชว์กันเนมันก็เลยทําให้เวลาเห็นกันแล้วเกิดความรักไข้กันขึ้นมาเกิดการอารมณ์กันขึ้นมา พระพุเจ้าบอกว่าถ้าเราเห็นด้านที่ไม่สวยงามของร่างกาย<ม>การมารมนี้มันจะไม่เกิด<ม>จะหยุดการมารมได้เ<ม>ช่นถ้าเราไปดูซากศพอย่างนี้ดูตอนที่เขาตายแล้ว<ม>ถ้าแฟนเราตายแล้วคืนนี้เรายังจะเก็บไว้ในบ้านนอนกับเราหรือเปล่า<ม>ก็เพียงแต่ไม่หายใจเท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นอะไรเลย<ม>ก็ไม่เอาแล้วใช่ไหม พอแฟนหยุดหายใจปั๊บนี่เมื่อก่อนหวงใครมาแตะไม่ได้พอแฟนไม่หายใจเนี่ยกให้สับปเปล่าเลยยกให้วัดเลยใครอยากได้เอาไปเลยเนี่ยต้องดูตอนที่ร่างกายไม่สวยงามต้องพิจารณาสุภาเนี่เยสุภาษแปลว่าสวยงามสุภาษแปลว่าไม่สวยงาม การดูส่วนไม่สวยงามมีหลายวิธีหลายหลายลักษณะดูตอนที่ร่างกายเป็นซากศพนึกถึงสภาพของคนที่เราลักเราชอบถ้าเกิดเขาเป็นศพแล้วนี่เรายังจะลักเขาหรือเปล่าเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระรูปอย่างนี้ยังติดอยู่การมาราคะอยู่พอดีช่วงนั้นมีนางโสเพณีมีชื่อเสียงว่าเป็น ผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่เธอตายไปพอดีก็เลยบอกให้พารูปนั้นไปดูศพของโสเปณีที่สวยงามนั่นพอไปเห็นศพของโสเภณีท่านั้นการมราคะหายไปหมดเลยบรรลุเป็นพระอนาคามีขึ้นมาเลยบรรลุ ข, ขั้นที่สามเลยขั้นที่สองกับขั้นที่สามนี่ต่างกันตรงที่ ขั้นที่สองขั้นภาษากิดาคามีนี้ทำให้มันลดน้อยลงเบาบางลงทำให้ความอยากเสพการเบาลงแต่ยังไม่หมดนก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตยังเหลืออีกห้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะว่ายังไม่ได้เห็นอย่างเต็มตาเต็มใจไม่ยังยังไม่ได้เห็นตลอดเวลา แต่พอไปดูศพนี่มันติดตาติดใจกลับมาทุกครั้งที่เห็นใครสวยงามมันเห็นซากศพของคนสวยงามทันทีเลยพอเห็นอย่างนั้นปั๊บทีนี้ก็ไม่มีความอยากในกรมอีกต่อไปความหุดหยิดที่เกิดจากการอยากจะเสพกรมก็ไม่มีอีกต่อไปความสงบของจิตก็กลับคืนมา ในขั้นที่สองและขั้นที่สามขั้นสกิรดาคามีก็สงบบางเวลาไม่สงบบางเวลาเวลาใดไปเผลอไปดูด้านสวยงามก็เกิดการมลลมขึ้นมาเวลาที่นึกถึงด้านที่ไม่สวยงามก็ดับการมลลมได้ นอกจากดูสร้างศพแล้วดูอย่างอื่นได้เองดูตอนร่างกายแก่ก็ได้ไปดูคนแก่เวลาเห็นคนสาวเรานึกว่าต่อไปเขาก็ต้องเป็นคนแก่แล้วเวลาดูคนแก่ก็ดูย้อนกลับว่าเมื่อตอนเมื่อก่อนที่เขาจะมาแก่เขาก็เป็นคนสาวตอนที่เขาเป็นคนสาวเราก็ชอบเขาแต่ตอนนี้เขาแก่แล้วเรากลับไม่ชอบเขามันก็คนเดียวคนเดียวกันร่างกายอันเดียวกันต้องมองย้อนกลับไปกลับมา อนุโลมปฏิโลมก็เรียกมองคนแก่ก็ต้องนึกตอนที่เขาเป็นสาวมองคนสาวก็ต้องถึงตอนที่เขาแก่แล้วมันจะทำให้ใจวางเฉยได้ในร่างกายนอกอกนั้นก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็ดูเข้าไปข้างในดูร่างกายร่างกายไม่ได้มีเพียงแต่ส่วนที่เรามองเห็นด้วยตายังมีของที่ ผิวหนังมันหุ้มหออยู่ที่เรามองไม่เห็นนะถ้าลองคิดว่าถ้าผิวหนังนี้เป็นเหมือนถุงพลาสติกดูเราจะนึกถึงภาพเวลาที่เวลาไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะเราไปซื้อเครื่องในหมูเครื่องในของสัตว์ใส่ถุงพลาสติกนะแล้วก็หิ้วมาเนี่ยจะเห็นอในถุงพลาสติกมีลำไส้มี ตับมีไตมีปอดมีหัวใจหมูเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทำผิวหนังของเราให้มันใสเหมือนถุงพลาสติกได้เราก็จะเห็นว่าร่างกายเรานี้เป็นเหมือนถุงพลาสติกดีๆเนี่ยที่มีโครงกระดูกเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายมันตั้งอยู่ได้ยืนได้เดินได้มีโครงกระดูกแล้วใน ในในนอกนั้นก็จะเป็นพวกอวัยวะต่างๆมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีอะไรต่างๆให้ดูให้เห็นถ้าเห็นอย่างนี้นะพยายามเพ่งอยู่เรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆการการที่การที่จะเห็นต้องเห็นเหมือนกับว่าจําได้นะถ้าเห็นครั้งเดียวแล้วไม่ดูต่อเดี๋ยวลืมการไปดูนี้ดูเพื่อให้เราเอามาจําเหมือนกับหัดท่องสวดมนต์เนี่ยให้หัด สวไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ต้องไปเปิดดูหนังสือใหม่ๆเรายังจำไม่ได้เราก็ต้องเปิดดูหนังสือไปก่อนแต่พอเราท่องจบได้แล้วทีนี้เราไม่ต้องเปิดดูแล้วอิติปิโสภควานี่มันมาเลยพอจะท่องปั๊บมันมาเลยอสุภะก็เหมือนกันตอนต้นก็นึกภาพไปดูภาพของจริงก่อนไปดูที่เขาผ่าศพกัน ที่ตามโรงพยาบาลเขามีชันสูตรศพเนี่ยถ้าขออนุญาตเข้าไปดูเขาก็เปิดให้ดูได้นะหรือว่าเปิดหนังสือดูก็ได้สมัยนี้ไม่ไปดูเองก็มีภาพถ่ายต่างๆของคนตายที่เขาชันสูตรเขาเปิดออกมาให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง หรือภาพวาดก็ได้ภาพวาดของที่เขาสอนนักศึกษาแพทย์ภาพ ว, ว, ว, ว, วาดว่าอวัยวะต่างๆตั้งอยู่ในส่วนไหนของร่างกายเราก็ไปดูแล้วก็เอามาจดตามาจำจดการจะจดจำก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆเนืองๆคิดอยู่บ่อยๆนั้นคิดเรื่อยๆต่อไปมันจะหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็น ต่อไปพอเห็นร่างกายข่ายนี้มันจะเห็นเป็นเหมือนถุงเหมือนถุงพรสติ ค, คุ้มห่ออวัยวะต่างๆไหมเห็นเป็นถุงพรสติที่หอ่อห่ออวัยวะหอ่อโครงกระดูกห่อปอดห่อตับห่อหัวใจอยูเย่เหมือนตอนที่เราไปซื้อของที่ตลาดเนี่ย <c oughs> พอเห็นอย่างนี้แล้วรับประกันได้ว่าจะรูปหล่อขนาดไหนจะสวยขนาดไหน จะเป็นดาราจะเป็นนางงามอะไรนี่มันไม่มาสามารถมาหลอกให้เราเกิดการอารมขึ้นมาได้นี่นี่แหละคือวิธีที่จะใช้ปัญญาในการมาระ ง, งับความไม่สงบของใจขั้นของพระสะกิรดาคามีและขั้นของพระอนาคามีพอผ่านขั้นนี้ได้จิตก็จะ ไม่มีปัญหากับเรื่องร่างกายกต่อไปจะไม่มีความอยากที่จะ ม, มามีร่างกายกต่อไปถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วจะไม่กลับมาเกิดมามีร่างกายมาหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปจะไปหาความสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นพรห ม, มโลก เพราะตอนนั้นจิตจะอยู่ในความสงบอเพราะตัวที่มาทําลายความสงบคือกามอารมณ์ต่างๆสกายทิฏฐินี้มันถูกทําลายไปจิตมันก็จะสงบแต่มันก็ยังมีส่วนที่ยังม า, ามทําลายความไม่สงบอยู่แต่เป็นส่วนที่ละเอียดกว่ามันจะไม่มาทําลายความสงบระดับของอนาคคของที่ที่ได้จากอนาคามี แต่มันยังมาทำลายความสงบที่เป็นของขั้นของพระอรหันต์อยู่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เต็มขั้นได้เพราะยังมีสังโยชน์เบื้องบนอีกห้าตัวด้วยกันที่ยังมาคอยก่อกวนความวุ่นวายใจสังโยชน์อีกห้าตัวก็คือรูปราคะแปลว่าความอยากเสพรูปฌานอารูปราคะความอยากจะเสพอรูปฌาน แล้วก็มานะความถือตัวอุทธะความฟุ้งซ่านและอวิชชาความง่อยังความง่ที่ชนิดละเอียดยังไม่หมดง่อละง้ในเรื่องของร่างกายนี้หมดไปแล้วแต่ยังง่อเรื่องของจิตอยู่ยังไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตอยู่ก็ยังมาสร้างความวุ่นวายใจให้ วิธีที่ปฏิบัติก็คือต้องพิจารณาว่ารูปฌานก็เป็นไตลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอรูปฌานก็เป็นไตลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปล่อยวางมันเหมือนกับปล่อยวางร่างกายอย่าไปอยากให้มันเข้าฌานเข้ารูปฌานเข้าอรูปฌานให้อยู่ตามปกติก็มีความสุขได้ อันนี้ต้องละไปส่วนตัวมาณนะก็ให้พิจารณาว่าการถือตนว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นเพียงสมมุติเป็นความคิดเท่านั้นเองเราแท้จริงคืออะไรเราก็คือตัวรู้ผู้รู้นี่เองผู้คิดนี่เองแต่เราไปคิดว่าเราเป็นนายเราเป็นลูกน้องเรา เ, ออเราเป็นเราสูงกว่าคนนั่นเราต่ากว่าคนนี้เราเท่าคนนั้น เพราะเรามีเงินเท่ากับเขาเราเลยถือว่าเราเท่ากับเขาเราสูงกว่าเขาเพราะเรามีเงินมากกว่าเขา <worldly. S 1> เราตา่ำกว่าเขาเพราะเรามีเงนินน้อยกว่าเขาอันนี้เป็นสมมติัรงนั้นเองขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีพอเรามีบับเรา <c oughs> ก็เลยถือว่าเราเหนือเขาพอเราจบปริญญาเอกเราก็ถือว่าเราเก่งกับคนที่จบปริญญาโท จบปริญญาโทก็ถือว่าเก่งกว่าคนที่จบปริญญาตรีมันก็เป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเองเป็นสมมติแต่ความจริงตัวเราที่แท้จริงก็คือตัวรู้ตัวคิดนี่เอง เหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นขอทานก็ตัวรู้ตัวคิดนี้ทนั้นเองนาที่ไปได้ร่างกายของพระเจ้าแผ่นดินไปได้ร่างกายของขอทานเนี่ยเวลามาเกิดก็เลยต้องไปเป็นขอทานไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินคนที่ปฏิบัติจนถึงเข้าระดับนี้เขาจะรู้ทันจะรู้ว่าเป็นการหลงสมมุติน่ะเป็นเพียงสมมติไม่ใช่เป็นของจริง ของจริงแล้วพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นจีนเป็นไทยเป็นอะไรก็เป็นตัวรู้ตัวคิดนี้เหมือนกันมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอยากเหมือนกันมีอวิชชาโมหะอวิชชาเหมือนกันอันนี้ต้องมาแก้ด้วยปัญญาต่อไปก็จะไม่ไปถือตัวไม่ถือว่าสูงกว่าคนนั้นต่ำกว่าคนนี้ แต่เวลาแสดงออกก็ต้องแสดงไปตามกฎของสมมุตดเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่าไปบอกว่าฉันก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เดี๋ยวถูกถูกจับเข้าคุกเข้าตารางฉันก็เป็นเหมือนเธอเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินฉันก็เหมือนเธอเธอก็เป็นแค่ผู้รู้ผู้คิดฉันก็เป็นผู้รู้ผู้คิดนี่ อย่างนี้ไม่ได้นะเวลาไปเกี่ยวกับข้องกับสมมุตินี่ต้องเคารพกฎของสมมุติเขาว่าเขาเป็นพระชาแผ่นดินเราก็ต้องว่าตามเขาเขาว่าเราเป็นขอทานเราก็ต้องว่าตามเขา Jean เราจะไปว่าเฮ้ยเราเป็นเหมือนกันทุกคนไม่ได้นะ uh, อันนี้ต้องรู้ทันรู้ทันสมมุติแล้วเวลาปฏิบัติกับสมมุติก็ต้องเคารพกฎของสมมติไม่งั้นเดี๋ยวติดคุกติดตารางไม่งั้นเดี๋ยวเจ็บเนือ้อ เ, เจ็บตัวไรานี้ นี่คือการละมานะการถือตัวอุทาจฉานี่คือความอยากให้มันจิตมันสงบมันมีความสุขเต็มร้ออยากให้มันถึงนิพพานเนี่ยมันก็เลยทําให้มันฟุ้งขึ้นมาหาวิธีต่างๆทำไมยังไม่ถึงนิพพานสักทีที่ไม่ถึงนิพพานเพราะอะไร ก็เพราะยังมีอวิชายอยู่ยังมีความอยากอยู่ยังยังไม่เห็นอริยสัจสี่ในใจยังมีความอยากไปนิพพานอยู่นั่นเองพอรู้ว่าออกความอยากไปนิพพานนี้ก็ต้องหยุดมันพอหยุดมันแล้วทีนี้มันก็เลยหายฟุ้งมันก็เลยสงบมันก็เลยสงบขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมานี่คือสังโยชน์ขั้นสุดท้ายจาสังโยชน์เบื้องบน ที่จะทำให้ความสงบของสมาธินี้กลายเป็นความสงบที่ถาวนเป็นนิพพานังปรามังสุขขังขึ้นมาจิตเมื่อไม่มีสังโยชน์ไม่มีความอยากแล้วก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความไม่สงบอีกต่อไปจิตก็จะสงบไปโดยธรรมชาติของจิตไม่ต้องไปทำอะไร พอถึงจุดนี้นแล้วภาร ก, กิจต่างๆที่มาปฏิบัตินี้สิ้นสุดลงสติปัญญาสมาธิที่สร้างมาเพื่อมาใช้นี้ไม่ต้องใช้อีกต่อไปไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สติเพราะจิตมันมีของมันมันเป็นของมันโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปควบคุมบังคับมันคอยพุทโธพุทโธเหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องคอยไม่ต้องใช้ปัญญาบอกนี่เป็นตายลกเป็นตายรักไม่ต้องใช้ เพราะมันไม่เอาอะไรทั้งสิ้นมันเห็นด้วยความจริงจากการปฏิบัติการถึงบอกวุตสีตังบ ร, รมจารย์หรือยังกิจในบรมจารย์ได้สิ้นสุดลงแล้ะกิจของนักบวชได้สิ้นสุดลงแล้ ว, ว, ไ, ลลวไม่มีกิจอื่นใดที่จะต้องทำอีกต่อไปนอกจากกิจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแต่เป็นออปชันไม่ใช่เป็นภารกิจที่ต้องทำจะทำก็ได้ไม่ทาก็ได้ จะเผยแผ่ทมก็ได้ไม่เผยแผ่รมก็ได้ไม่ได้มาทำให้ความสุขความหลุดพ้นจากความทุกข์นี้หายไปแต่อย่างไดแต่ทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วยความเมตตากรุณาเท่านั้นนี่คือเรื่องของคนฉลาดากับคนง่อถ้าอยากจะเป็นคนฉลาดจริงต้องเป็นฉลาดแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรหันตสาวกถ้าฉลาดแบบ พวกที่รับรงหลางวัลโนเบลทั้งหลายนี้ยังเป็นพวกที่ฉลาดแบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวเรวาหาปูราปาริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกาปติ กิชตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจชาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะหระโสยทามณิโชติหระโสยทาสัพพิติโยวิวัชันโตสัพพโรโควินัสสตุ มาเตภวะตวันตรายูสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีริสะนิจจังวุฒาปจายโนยตาโรธรรมวาทานติอายุวันูสุขังภาลัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรกอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องทำภารกิจอย่างอื่นต่ อ, ตอถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติด ต, ตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก Facebook 493 YouTube 360วิทย์ออนไลน์17ผู้รับฟังวันนี้32รวม902ท่านคะ่ะ่ใครอยากจะถามยกมือได้นะจะส่ง mail ไปให้ออลิเวีย you have any more question no more okay so this is your last day okay ยังไม่มีคำถามเข้ามาเลย คำถามจากคุณไมเนมหลวงพ่อครับผมมีความทุกข์และความสับสนในสมองมากเลยครับผมควรจะทำเช่นไรผมพยายามดับแล้วครับพยายามไขว่คว้าความสุขแต่ก็กลับไม่มีความสุขเลยครับออต้องหยุดหยุดอย่างเดียวเท่านั้นหยุดคิดหยุดขว่คว้าหยุดอะไรทั้งหมดใช้พุโทโธหยุดมันท่องพุโทโธอย่างเดียวเข้าหาพุโทโธเข้าหาความสงบ แล้วจิตก็จะกลับมาเป็นปกติตอนนี้จิตเป็นแบบเรือไม่มีหังเสือมันก็จะไหลไปตามกระแสน้ากระแสลมแล้วแต่อะไรจะมาพัดมันมันก็ไปต้องหาหังเสือมาควบคุมให้มันอยู่ในร่องในรอยต้องใช้สติพุทโธพุทโธหยุดมันไม่ต้องไปคิดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปฟังเทศฟังธรรมไป แล้วความคิดต่างๆจะน้อยลงอารมณ์ต่างๆจะเบาลงแล้วใจก็จะเย็ยนขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นไปตามลาดับไม่ต้องไปหาอะไรความสุขอยู่ในตัวเราคนที่หานี่กำลังหาความทุกข์กันคนที่หยุดหาเน่นะเป็นคนที่ได้ความสุขคนฉลาดคนโง่ยังหาอยู่ คนฉลาดหยุดหาแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วเจะผู้ไม่ประสงค์ออกนามการตั้งเป้าหมายเพื่อนิพพานในเชิงปัญญาที่ว่าเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วเราก็ตั้งใจทุกวิถีทางเพื่อนิพพานสิ่งนี้ถือว่าเราโลภหลงมีกิเลสเพื่อสิ่งนี้ไหมคะไม่หรอกทาต้องการนิพพานนี้มันเป็นการฆากิเลสมันไม่ได้เป็นกิเลส นิพพานนี้เป็นการฆ่ากิเลสทำลายกิเลสเจ้าคุณวิโรธเวลาจัดงานศพไม่มีการสวดเผาเลยได้ไหมครับกระดูกและเท่าลอยแม่น้ำหมดได้ไหมครับก็แล้วแต่เรานียมันเป็นเรื่องของเราเราจะทำอะไรอยู่ที่มีแต่คนอื่นเขาจะยอมให้เราทำหรือเปล่า พ่อแม่้เดี๋ยวพี่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาไม่ยอมเราจะทำไงก็ต้องถ้าเป็นศพของเราก็ต้องสั่งไว้ล่วงหน้าอย่างหลงปู่ปู่แบรนะท่านสั่งไว้ล่วงหน้าก่อนพอตายป้าพี่จับใส่โรงเลยไม่มีการสวดสามวันก็เผาเลยเก็บไว้สามวันถ้าสั่งแล้วคนทำตาม บางคนสั่งแล้วก็ไม่ทำตามหลวงตาก็สั่งแล้วแต่ไม่มีใครทำตามหลวงตาก็สั่งไว้ทำแบบนี้แต่พอถึงเวลาไม่มีใครทำตามคำสั่งของหลวงตาเนี่ยก็อยู่ที่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะเพียงแต่ว่าความคิดของเรากับความคิดของคนอื่นมันไม่เหมือนกันแล้วเขาใหญ่กว่าเราแล้เล็กกว่าเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ ถ้าเราใหญ่กว่าเขาเขาก็เขาเข า, เขาก็ไม่ฝืนเราแต่ถ้าเขาใหญ่กว่าเราเขาก็ฝืนเราได้เนียมันก็อยู่ที่ตรงนี้อย่างนงตาท่านท่านเคยคิดฝากศพของท่านไว้กับพระอาจารย์เสีงทองเพราะท่านมั่นใจพระอาจารย์เสีงทองนี่มีบรารมีที่จะทำตามคำสั่งของท่านได้แต่ก็น่าเสียดายเพราะพระอาจารย์เสีงทองไปตายก่อนท่าน ท่านเลยต้องไปทำศพป้าจาย์สินทองแต่อันนี้มันไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นตายไปแล้วก็ก็ต้องปล่อยมันไปไม่ใช่เรื่องของเราแล้วศพนี้ไม่ใช่ของเราแล้วกายยาไปทำอะไรก็เรื่องของมันก่อนตายเราก็สั่งไว้ก็แล้ว ก, กันว่าให้ทำแบบไหนส่วนจะทำตามหรือไม่นี่ก็ไม่รู้เหมือนพระพุทธเจ้าก็สั่งไว้ก่อนตายว่า ให้เก็บไว้เจ็ดวันเอาผ้ามาพันศพห้าร้อยห้าร้อยชั้นห้าร้อยรอบอแล้วก็ใส่ไว้ในโรงมีน้ำมันอยู่ในโรงเผาก็ไม่มีใครฝืนคำสั่งพระพุทธเจ้าเพราะมีผ้าอาหารต้องหลายร้อยรูปอคอยคุมอยู่พวกที่เป็นกิเลสเนี่ยเข้ามาไม่ได้ ถ้าเป็นพวกกิเลสแล้วต้องการความหรูหราต้องความสวยงามแม้แต่ ง, งานศพยังต้องให้มันหรูหราสวยงามมีเกียรติอะไร น, นี่คืความคิดของพวกกิเลสพวกคนโง่ความคิดของคนฉลาดก็คือเผาให้มันหมดหมดไปให้มันเสร็จไปเป็นซากศพเก็บไว้แล้วมันมั น, ม, นมันส่งกลิ่นเหม็นมันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว เอามันให้เรียบร้อยไปอย่าไปเก็บมันบางแห่งเก็บไว้เป็นปีเลยมั้เก็บหลวงพ่อไว้ในโรงทองโงกระจกกลัวไม่มีใครจะมาทำบุญไม่ใช่อะไรพวกนี้คิดแบบกิเลส <c oughs> คิดว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อแล้วจะไม่มีใครเข้าวัดแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้คุณอรวรรนถ้าเอาเงินที่ไม่บริสุทธิ์มาทำบุญกับพระอริยะจะได้บุญกี่เปอร์เซ็นต์นนคะก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ได้บาปร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยบาปที่ได้มาจากการขโมยมามันก็มันก็ไม่ได้มาชาระได้ทั้งบาปได้ทั้งบุญแต่ถ้าไม่เอาไปทำบุญเลยก็ได้แต่บาปอย่างเดียวเจะคุณวิทย์การทำบุญให้ผู้เสียชีวิตจำเป็นต้องนาภาพและอัฐิไปทาพิธีที่วัดหรือไม่ครับ ก็แล้วแต่เราถ้าเราคิดว่าจำเป็นมันก็จำเป็นแต่เราคิดว่าไม่จำเป็นมันก็ไม่จำเป็นจะาคุณเจี๊ยบจิตรวมเหมือนหดตัวเข้ามาแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเราควรทำต่ออย่างไรครับก็ทำไปเรื่อยๆมันสงบแต่ละครั้งมันอาจจะไม่เหมือนกันนะขอให้มันสงบแล้วมันนิ่งมันสบายการทำสมาธิก็เป็นการหาความสุขนะ าการหาความสุขดูหนังก็สุขไม่เหมือนกันดูหนังบางเรื่องเรื่องหนึ่งก็ให้สุขแบบหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็ให้สุขอีกแบบหนึ่ง <c oughs> การนั่งสมาธิเวลาสงบบางทีมันก็สงบแบบพูดพลาดลงไปบางทีมันก็สงบแบบเทีลเล็กเทียร์น้อยสงบเต็มที่บางทีก็สงบไม่เต็มที่ก็ให้มันเป็นไปตามเหตุตามผลของมันคุณวราพร มีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งเคยเตือนว่าถ้าเธอหวังโสดาบันเธอต้องเลิกเล่นหวยจริงแท้แค่ไหนคะ อ, อ๋ออย่า อ, อย่าว่าแต่หวยอะไรเลิกทุกอย่างต้องไปอยู่วัดจําศีลไปถือศีลแปดไปฝึกสมาธิก่อนก่อนที่จะนัดไปทางโสดาบันได้ต้องได้รูปฌานก่อนแล้วถึงจะไปสู่ขั้นปัญญาเพื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันได คุณรุ่งดูดี ปฏิบัติสมาธิได้ระดับใดเมื่อพิจารณาไตรลักษ์แล้วไม่หลงทางเพราะตอนนี้พิจารณาแล้วแค่ทางความคิดเท่านั้นตอนนี้มีความเบื่อความเป็นมนุษย์เลยทําสมาธิเท่าที่มีเวลาทําได้และได้ไปดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งวันทั้งคืนจนเขาเสียชีวิตขณะ ด, ดูแลก็พิจารณาไตรลักษณ์ก็ยังเกิดความเบื่ออยู่ทําอย่างไรให้ความทุกข์นี้น้อยลงก็ต้องทำสมาธิให้มากๆ ยจิตไม่สงบแล้วไปพิจารณาปัญญามันก็จะทําให้เกิดความเศร้าได้เกิดความเบื่อได้แต่ถ้าจิตสงบแล้วเวลาไปพิจารณาตายลักษณ์นี่มันจะรู้สึกสงบมากยิ่งขึ้นรู้สึกปลงได้มากขึ้นเบาขึ้นแต่ถ้ายังไม่สงบในกิเลสมันจะมาสร้างความเบื่อให้สร้างความเศร้าให้ยันจึงไม่ควรไปเจริญปัญญาถ้าจิตยังไม่มีความสงบพอ หมดแล้วเมีอีกค่ะถามไปเรื่อยๆจะคุณปรัชญาภรรยาไม่ช่วยพรยาไม่ช่วยงานการไม่ดูแลในฐานะภรยาวันๆรอแต่จะให้ผมพาไปเที่ยวที่ดีๆกินร้านดีๆไม่ช่วยการงานกิจการครอบครัวเลยแล้วผม ควรจะเลิกกับเธอไหมตอนนี้มีลูกสองคนผมจะนำไปรับเลี้ยงเองคำถามคือกรรมอะไรที่ต้องเจอภรรยาแบบนี้ครับแล้วถ้าผมแต่งงานใหม่อีกครั้งผมจะบาปไหมจะถือว่าผิดศีลข้อสามไหมครับก็ตอนที่ไปจีบเขาคุณก็ทำแบบนี้ไม่ใช่เลยให้เขาทำงานให้เขากินให้เขาเที่ยวพาเขาเที่ยวพาเขากินพาเขาไปหาความสุขต่างๆถ้คุณทาแบบนี้พอแต่งงานเขาคิดว่าจะให้ทางี้ต่อ คุณไม่เคยบอกว่าแต่งงานแล้วคุณต้องมาช่วยทำ ง, งานที่บ้านผมนะทำไมไม่คุยกันก่อนทำความรู้เวลาไปจีบเขาก็โอ้โหใช่ไหมพาเขาไปเที่ยวพาเขาไปกินไปเดิมอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อให้เขาอยากจะได้อะไรก็หาให้เขาทุกอย่าง พอแต่งงานกันแล้วคุณมาเปลี่ยนเองไงคนบอกว่าเอาตอบวนนี้คุณต้องมาช่วยฉันทํางานช่วยทํานู่นทํานี่คนเดี๋ยวนี้เที่ยวไม่ได้แล้วไปกินไปดื่มแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วทางนี้เขาก็ไม่มาแต่งงานกับคุณให้เสียเวลาใช่ไหมยั้นคุณต้องก่อนที่คุณจะแต่งงานกับใครคุณก็ต้องเสนอข้อเสนอของคุณก่อนว่าถ้าคุณแต่งกับผมนะผมจะทําอย่างนี้ให้คุณนะอแต่คุณต้องทําอย่างนี้ให้ผมด้วยนะเออ เป็นการลากเปลี่ยนการทำสัญญาซิจะได้ไม่จะได้ไม่ไม่เข้าใจผิดกันภรรยาเขาคิดว่าคุณจะเอามาเอาเอาเขามามาเลี้ยงดูอย่างเดียวพาเขาไปเที่ยวพาเขาไปหาความสุขเขาก็เขาก็อยากจะมาอยู่กับคุณนี่ยแต่พอมาอยู่กับคุณเขาคุณหยุดแล้วเนี่ยคยพาไปเที่ยวคอยไปแล้วไม่ไปแล้ว นี่จะให้เขามาทํางานให้คุณมาเป็นลูกจ้างคุณเสรแล้วเนี่ยนี่เขาเขาลูกนี้เขาก็ไม่มาหรอกเห็นไหมเห็นงั้นคุณจะเปลี่ยนอีกคนก็เป็นแบบนี้เพราะเวลาคุณจะเอาเขามาอยู่คุณก็ต้องไปหลอกเขาอีกอะคุณก็พาเขาไปเที่ยวพาเขาไปหาอะไรต่างๆให้เขาชอบให้เขาอยากจะอยู่กับคุณแล้วพอคุณได้เขามาคุณก็ไปเปลี่ยนเองเปลี่ยนสัญญาเองเปลี่ยนระบบเองแทนที่จะพาเขาไปเที่ยว เขาต้องอยู่บ้านทํางานนับจะช่วยทายํางานแทนที่จะใช้เงินต้องช่วยกันเก็บเงินเก็บทองนะอย่างนี้เขาไม่รู้จะมาอยู่กับคุณทําไมใช่ไหมนอกจากถ้าถ้าคุณทํานี้ก่อนที่จะพาเขามาอยู่ด้วยกันเวลาจีบเขาก็ก็พาเขาไปทํางานสิ น้องมาช่วยทำงานหน่อยนะช่วยเก็บเงินหน่อยนะช่วยหาเงินหน่อยใช้แต่เท่าที่จำเป็นนะใช้แต่ค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยค่าน้ำค่าไฟนะอย่าไปซื้อขนมซื้อของอะไรต่างๆนะอย่าไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะถ้าคุณทำอย่างนี้ได้เวลาเข้ามาอยู่กับคุณเขาก็จะทำตามที่คุณคุณพาเ็าทำใน ต, ตอนแรก นั้นปัญหาโทษไม่ได้อยู่ที่เขาหรอกอยู่ที่คุณนะคุณไปโฆษณาชวนเชื่อเองแเราพอเขามาอยู่กับคุณเขาก็ผิดหวังเขาจะโทษคุณมากกว่าเขาจะโทษตัวเขาเองอ่ะใช่ไหมก็เวลาที่จีบกันไม่เห็นให้มาขอให้ไปทํางานไม่ขอให้ไปทํานู่นทํานี่มีแต้พาไปเที่ยวทุกครั้งโทรมาหาไปเที่ยวไหมไปที่นู่นที่นี่ไหม แต่พอแต่งงานกันแล้วที่จะให้เขามาทํางานอะไรให้เขามาเก็บเงินเขาก็ไม่อยากจะอยู่กับคุณหรอกอย่างนัน้นคุณจะหากี่คนถ้าคุณหาแบบนี้ก็ยังเจอปัญหาแบบนี้เสมอไปมันต้องเสมอต้นเสมอปลายใช่ไหมชาวบ้านเขามีคําพูดเสมอต้นเสมอปลายต้นเป็นอย่างไรปลายก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ต้นเป็นอย่างหนึ่งปลายเป็นอย่างหนึ่งแล้วมันจะไปอยู่ด้วยกันได้อย่างไร เนี่ยที่หยากันส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเนี้ยเวลาจีบกันโอ้โหอยากก็เป็นคะยอมเป็นทาสเลยให้ทําอะไรก็ยินดีรับใช้ทุกอย่างพอแต่งงานกันแล้วนี้จะมาเป็นเจ้านายเขาสิต่อไปจะคุณัยลินนั่งสมาธิอย่างไรให้ข้ามเวทนาปวดขาได้เจ้าคะก็นั่งต่อไปเรือยอย่าอย่าไปลุกสิ ก็พุทโทต่อไปสวดมนต์ไปอย่าอยู่เฉยๆเวลาเจ็บต้องพุทโทพุทโธไปสวดมนต์ไปหรือแยกด้วยปัญญาได้ก็ยากไปว่าร่างกายมันเป็นกระดูกกระดูกมันไม่รู้ว่ามันเจ็บเราผู้รู้เราไม่ได้เจ็บเราเพียงแต่รู้ว่ากระดูกเจ็บกระดูกมันไม่เดือดร้อนก็อย่าไปเดือดร้อนแทนกระดูกก็ปล่อยมันเจ็บไปเราก็พุทโธของเราไป เหนือใจมันก็สงบสงบแล้วมันก็อยู่กับความเจ็บได้ไม่เดือดร้อนจากคุณอุตสุตติงถ้าปฏิบัติไปแล้วมีความสุขแต่ว่าหลังๆเวลาปฏิบัติเวลาที่จะปฏิบัติหายไปสวดมนต์น้อยลงนั่งน้อยลงแต่เวลาทำงานพอว่างใจมันพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับร่างกายความตายอยู่เสมอๆไม่ตั้งใจแต่พอว่างหน่อยก็จะคิดอยู่เอง แต่ว่าแต่แต่สวดมนต์น้อยลงนั่งสมาธิน้อยลงจะเป็นไรไหมครับก็สุขน้อยลงเนี่ยเพราะว่าความสุขในเบื้องต้นนี้ต้องได้จากสมาธิจากปัญญานี้มันไม่ค่อยได้ดีไม่ดีจะกลายเป็นความทุกข์เสียได้ซ้ำไปถ้าจิตไม่ไม่พร้อมที่จะรับความจริงเหมือนคนบางคนที่พิจารณาเห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วแทนที่จะสงบกับฟุ้งซ่านขึ้นมา จะผู้ไม่ประสงค์ออกนามจะวางใจอย่างไรคะเมื่อถถอกคนรักบอกเลิกเลิกก็เลิกไปสิก็วางใจไงก็ทาเปน็นอนิจจังทุกขังนั้นตาไปนั้นเองห้ามเขาได้หรือเปล่าเปลี่ยนใจเขาได้หรือเปล่าถ้าเปลี่ยนไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเ่นนไม่ใช่เขามีคนเดียวมองนี่โลกนี้มีคนเดียวที่ไหน มีคนเป็นไม่รู้กี่ล้านคนในโลกนี้ในประเทศนี้เดี๋ยวก็มีคนที่ก็จะเข้ามาแทนที่มาเสียบทุกขอให้เรามีอะไรดึงดูดใจเขาเท่านั้นน่ะขอให้มีเงินสักอย่างมีความดีสักอย่างหรือมีความดีเดี๋ยวเขาก็เข้าหาเราเองแต่ถ้าเราไม่มีเงินไม่มีความดีเขาก็ไม่รู้จะเข้าหาอะไรวะเจ้าคุณสมพร ผมทำงานบริษัทในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต้องบริหารงานบริหารคนบางครั้งก็เครียดและคิดหนักผมควรใช้หลักธรรมไหนปฏิบัติให้หายเครียดหรือลดน้อยลงครับก็ทำเท่าที่เราทำได้ทำตามหน้าที่อย่าไปตั้งเป้าเกินกำลังเกินความสามารถเกินความเป็นไปได้ดูตามความเป็นจริงอย่าไปดูตามความอยากทำได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้ มันก็จะไม่เครียดที่มันเครียดเพราะมันอยากจะได้มากกว่าที่มันทําได้แล้วมันไม่ได้มันก็เลยเครียดอย่างนีน้ยินดีคือสันโดษยินดีตามตามีตามเกิดแต่ไม่ได้ยินดีแบบเฉยๆทําไปเต็มที่ตามไปทําไปตามสุดกําลังความสามารถของเราแล้วได้เท่าไหร่ก็ต้องตามตามีตามเกิดไปคุณทีคาธนะ ชีวิตจริงๆแล้วเกิดมาเพื่อให้มาดับกิเลสถึงจะได้พ้นทุกข์เป็นหนทางที่ถูกต้องและเราต้องมีดวงตาเห็นธรรมรู้ได้เฉพาะตนและเป็นทางที่สุขสงบสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าหมั่นฝึกสติสม่ำเสมอปัญญาก็จะเกิดเราจะมีความมั่นคงในจิตเองใช่หรือไม่คะฝึกสติจะได้สมาธิไม่ได้ปัญญาลองมาได้สมาธิก่อนแล้วก็ไปฝึกปัญญาด้วยการพิจนะารณาไตรลักษ์ต่อไป ถึงจะได้ปัญญาหมดแล้วเลยมีใครอยากจะถามไหม ไ, ไม่มีเข้ามาครับโอเคไม่มีวันนี้ฟ้าดินไม่ค่อยดีจะปล่อยกลับบ้านนะเดี๋ยวฝนฟ้าจะมาฝนจะตกอีกวันนี้ญาติโยมก็น้อยก็ <c oughs> ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ